เหตุไรพระพุทธศาสนาจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเราได้ทุกอย่างเขาได้โปรดจำไว้ให้แม่นว่าพระพุทธศาสนาที่ว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาแก่เราได้ทุกอย่างนั้นมีเหตุผลอยู่สประการคือหนึ่งพระพุทธศาสนาสามารถทาให้คนเรามีความสบายใจอยู่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานนะหรือในเหตุการณ์ใด สพระพุทธศาสนาสามารถช่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพให้กับคนเราได้อย่างมากมายโดยอาศัยวิธีทางสมาธิ 3. พระพุทธศาสนาสามารถสร้างจิตใจของคนเราให้มีศีลธรรมเกิดจากตัวเองซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากที่สุดคนที่มีศีลธรรมพราะกลัวคนอื่นจะตําหนิหรือลงโทษหรือกลัวจะเสียชื่อกลัวจะสูญเสียประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ คนที่มีศีลธรรมอยู่กับตัวได้เพราะอาศัยคนอื่นเช่นนี้เพราะอาศัยสิ่งภายนอกเช่นนี้ศีลธรรมอย่างนี้ไม่มีความมั่นคงส่วนคนที่ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมโดยไม่ปรารบถึงคนอื่นหรือสิ่งภายนอกเขารู้สึกเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีศีลธรรมก็เพราะเขาได้มองเห็นชัดแล้วว่าถ้าเราไม่มีศีลธรรมเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ชีวิตของเราจะมีความสมบูรณ์ขึ้นไม่ได้ คนที่มีศีลธรรมเกิดขึ้นในลนนักษณะนี้เรียกว่ามีศีลธรรมเกิดจากตัวเองพระพุทธศาสนาสามารถช่วยสร้างจิตใจของคนเราให้มีศีลธรรมเกิดขึ้นจากตัวเองดังที่กล่าวมานี้ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นท่านลองคิดดูถ้าหากคนที่มีศีลธรรมเกิดจากตัวเองนี้เป็นคนมีความรู้ความสามารถมีอิทธิพลในสังคมเป็นคนที่มีความรู้ในการเศรษฐกิจเป็นอย่างดี คนประเภทนี้จะสามารถช่วยสังคมได้สักเพียงไรแต่เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คนที่มั่งมีหรือมีความรู้ความสามารถนี้มักจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนโลกทุกวันนี้ได้รับความเดือดร้อนก็เพราะบุคคลในระดับนี้มีศีลธรรมไม่พอศีลธรรมที่เขามีอยู่มันเป็นศีลธรรมที่เกิดจากสิ่งภายนอกฉะนั้นจึงไม่มีความมั่นคง เราะง่ายแตกง่ายในเมื่อกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีและในเมื่อคนในระดับนี้ไม่มีศีลธรรมอย่างเพียงพอแล้วเขาก็จะกลายเป็นเหมือนพวกยักษ์เนเรื่องรามเกียรติซึ่งยักษ์พวกนี้มีฤทธิ์มีอานาจมากมนุษย์สู้ไม่ได้แม้กระทั่งเทวดาก็สู้ไม่ได้เรื่องจึงได้เดือดร้อนไปถึงพระนารายต้องเสด็จอวตาร ล, ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้ปราบยักษ์ได้ ข้อคิดจากเรื่องรามเกียรติ์เขียบโปรดสังเกตว่าพระรามแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาแต่ก็ไม่มีฤทธิ์อะไรถ้าหากไม่ได้อาศัยฮนุมานและสุคริเป็นต้นก็ไม่อาจจะปราบยักษ์ได้พระพุทธศาสนาในขณะนี้ก็เหมือนกับพระรามสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆ เขาก็จะยอมรับใช้พระพุทธศาสนาด้วยชีวิตของเขาทั้งหมดและถ้าหากคนที่มารับใช้นี้เป็นคนมีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนกับฮนุมานและสุครีพเป็นต้นพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะขจัดความชั่วร้ายและความเดือดร้อนต่างๆให้หมดไปจากโลกนี้ได้จงสังเกตว่าการที่ฮนุมานก็ดีสุครีพก็ดียอมรับใช้พระรามด้วยชีวิตทั้งหมดก็เพราะพวกเหล่านี้ได้เห็นแล้วว่าพระราม ก็คือพันรายสีก่กรผู้เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์แน่นอนเหลือเกินว่าถ้าหานุมานหรือสุครีพไม่เห็นสีก่กรแล้วก็คงจะไม่ยอมรับใช้แน่นอนเวลานี้ปัญหาสำคัญมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือคนที่อยู่ในฐานะที่สามารถจะเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาได้จริงๆจนกระทั่งเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาบุคคลที่ว่านี้ ยังไม่ได้น้อมนำตัวเข้ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเขาจึงมองไม่เห็นว่าพระพุทธศาสนาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างคนที่จะรู้แน่ว่าพระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้ทุกอย่างนั้นต้องเป็นคนที่เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะคนประเภทนี้เขาจะรู้แจ้งด้วยตัวของเขาเองว่า อะไรคือสาเหตุของความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายและอะไรคือสาเหตุของความยากจนและความอาภัพต่างๆจากความรู้แจ้งในปัญหาเหล่านี้หละจะทำให้เขาพบวิธีแก้ปัญหาซึ่งได้ผลแน่นอนและผลที่ว่านี้จะย่างยืนและสืบต่อกันไปทุกๆชาติจนกระทั่งในที่สุดเขาก็เอาชนะปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาด เป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงต้องเป็นคนที่รู้แจ้งในปัญหาทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้เขาจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเราและให้กับคนอื่นได้ทุกอย่างและยิ่งกว่านั้นเขาจะมองเห็นชัดว่าในเมื่อเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีแล้วเขาก็จะรู้จักเลือกเอาวิธีการต่างๆตามที่ใช้กันอยู่ในทางโลกนั่นแหละ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งจะไม่ก่อให้เกิดผลสะท้อนในทางที่ไม่ดีในภายหลังอีกด้วยอันหนึง่งเท่าที่พูดมาในตอนแรกนั้นข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะใช้แต่วิธีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้หมายความว่าจะชักชวนกันออกบวชให้หมดหรือชักชวนกันให้ละทิ้งการงานต่างในทางโลกแล้วก็หันมาตั้งตาฝึกแตสมาธิ ตรงกันข้ามคนที่เข้าใจซึ้งในเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั้นจะช่วยส่งเสริมศิลปวิทยาและอาชีพต่างๆตลอดทั้งศิลปะในอันที่จะทำให้โลกมีความงามมีความไพเราะมีความร่าเริงสนุสนานอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะมีความจริงอยู่ว่าคนเราจะก้าวไปสู่ความหลุดพ้นในระดับสูงพร้อมๆกันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คนที่ศึกษาแต่ในทางพระพุทธศาสนาโดยไม่ศึกษาเรื่องของโลกให้เข้าใจดีและพื้นเดิมเป็นคนมีใจแคบหรือมีทัศนะแคบเป็นคนมีความกดดันทางอารมณ์ต่างๆบุคคลประเภทนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำในทางศาสนาเพราะจะเป็นผู้ขวนขวายแต่ในประโยชน์ของตนในวงแคบๆจะเป็นผู้กาหนดนโยบายและหลักการเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้อย่าลืมว่า พระพุทธเจ้าซึ่งโดยปกติก็ทรงสอนแต่เรื่องธรรมะนั้นพระองค์ทรงเป็นโลกาวิถูรู้แจ้งโลกและเป็นสัพพันยูทรงรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าขอเน้นด้วยความมั่นใจอย่างที่สุดว่าพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเราได้ทุกอย่างและเมื่อแก้ปัญหาให้กับตัวเราได้ก็ย่อมจะนาไปใช้แก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือในสังคมก็ตามถ้าผู้นำสังคมในกลุ่มไหนหรือระดับไหนก็ตามหากได้ยึดถืออาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดาเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆแล้วประเทศของเราก็จะต้องก้าวหน้าไปสู่ความเจริญอย่างชนิดที่ทำให้คนทุกระดับมีความเป็นอยู่สะดวกสบายและมีความสุขยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เดียวนี้ และในเมื่อเราใช้หลักพระพุทธศาสนาภายในประเทศของเราได้ผลทุกทางคือในด้านเศรษฐกิจการศึกษาการสาธารณสุขและการปกครองเป็นต้นก็จะเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆนำหลักการและวิธีการต่างๆของเราไปใช้ซึ่งในที่สุดทั้งหมดก็จะก้าวไปสู่ยุคที่อุดมสมบูรณ์และโลกนี้ก็จะกลายเป็นดินแดนสวรรค์แห่งหนึ่งแต่ยางไรก็ดีจะต้องทำความเข้าใจอีกข้อหนึ่ง กล่าวคือตามวิธีการของพระพุทธศาสนานั้นจะให้เห็นผลอย่างรวดเร็วตามความปรารถนาของคนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะความเจริญในด้านใจิตใจของแต่ละบุคคลยอมเป็นไปตามพื้นฐานที่มีมาแต่เดิมบางคนอาจจะก้าวหน้าได้เร็วแต่บางคนตลอดทั้งชีวิตแม้จะได้มีการศึกษาและการอบรมอย่างดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจิตใจก็อาจจะก้าวหน้าไปได้เพียงนิดเดียว ความเจริญของสังคมย่อมขึ้นอยู่กับความเจริญแห่งจิตใจของบุคคลในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าคนส่วนใหญ่จิตใจยังเจริญไม่ได้มาตรฐานมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วถ้าหากจะมีบางคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องนำวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้เพราะทาให้ได้ผลช้าสู่เอาวิธีอย่างอื่นที่ผู้นาในบางประเทศใช้กันอยู่ไม่ได้ ถึงแม้จะต้องมีการบังคับมีการฆ่ามีการประหัรประหารมีการลงโทษอย่างรุนแรงหรือมีการตัดรอดอิสรภาพหรือสิทธิเสรีอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามันจะเป็นวิธีที่จะทําให้คนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นประเทศของตัวเองมีอํานาจมากขึ้นก็ควรจะใช้วิธีนี้เพราะเห็นผลเร็วบางคนอาจจะมีความเห็นแบบนี้และทุกวันนี้ก็เหมือนว่าคนที่มีความเห็นแบบนี้ มีมากยิ่งกว่าในยุคใดๆทั้งนี้เนื่องจากความเจริญในด้านวัตถุและความเป็นอยู่อันสะดวกสบายและความสุขสาราญของบุคคลบางกลุ่มซึ่งมีเป็นจำนวนน้อยมากนั้นทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความทะเยอทะยานอยากจะมีอยากจะได้เหมือนกับคนกลุ่มนี้บ้างและต้องการจะหาให้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยกล่าวคือจะต้องพยายามหาให้ได้ในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเพราะถ้าแก่ไปแล้ว ถึงแม้จะมีเงินหรือมีความเป็นอยู่สะดวกสบายอย่างไรความอ่อนแอนของร่างกายก็ไม่ช่วยทาให้ตนเองมีความสุขมีความสนุกสนานได้เหมือนกับที่ตั้งใจไว้และบางคนซึ่งแม้จะอยู่ในวัยกลางคนหรือแก่แล้วก็ยังคิดที่จะหาความสุขในด้านวัตถุหรือในด้านการอารมณ์ให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่สามารถที่จะยั้งใจหรือห้ามใจตนเองไว้ได้ถ้าหากมีโอกาส บุคคลในกลุ่มที่มีความสุขสาราญกันอย่างเต็มที่ซึ่งมีทั้งวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวและวัยแก่แต่ทว่าบุคคลในกลุ่มนี้มีจำนวน น, น้อยมากแต่ก็มีอภิสิทธิ์และมีโอกาสดีกว่าในอันที่จะหาความสุขมากกว่าคนกลุ่มใหญ่ความเป็นอยู่ซึ่งเห็นกันอยู่ทั่ ว, วไปของบุคคลในกลุ่มนี้แหละเป็นจุดยั่วยาให้คนกลุ่มใหญ่เกิดความทะเยอทยานใครที่จะเอาอย่างแต่แล้วก็จะพบว่า บุคคลกลุ่มใหญ่ดังที่กล่าวมานี้อยู่ในฐานะที่ยากจนและขาดแคลนต่างๆกว่าคนกลุ่มน้อยนั้นมากและโอกาสที่จะเสียเปรียบก็มีมากกว่าบุคคลในกลุ่มนี้ทั้งที่ได้ใช้ความพยายามกันมาแล้วอย่างมากมายได้พยายามดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาทุกๆอย่างปีแล้วก็ปีเล่าก็ยังมองไม่เห็นทางว่าจะมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรและยิ่งกว่านั้นความยากจนซึ่งคล้ายกับเป็นโรคระบาด ก็นับวันแต่จะแผลวงกว้างออกไปทุกทีเหตุการณ์ที่ว่านี้มีอยู่ทั่วโลกและเหตุการณ์อันนี้ก็มีบุคคลที่ถือว่าเป็นชั้นผู้นำคิดจะแก้ไขได้วยวิธีพยายามดึงเอาอำนาจของปวงชนเข้ามาเป็นของรัฐซึ่งปวงชนส่วนใหญ่จะต้องทำตามคำสั่งของรัฐทุกประการสุดแล้วแต่ทางรัฐจะกำหนดให้ทำอะไรซึ่งวิธีนี้ทาให้คนส่วนใหญ่หมดสิทธิและเสรีภาพ ระบบอันนี้ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเท่ากันตายแล้วก็หมดเรื่องการที่คนเรามีความเป็นอยู่ไม่เท่ากันเป็นเพราะการจัดระบบเศรษฐกิจและการปกครองไม่ดีพอแล้วก็พยายามจัดขึ้นใหม่โดยใช้วิธีที่รัฐจะต้องเข้าควบคุมและมีอำนาจในกิจการของราษฎรทุกอย่างเพื่อที่จะตัดทอนความเสมอภาคและตัดการแข่งขันระหว่างราษฎรด้วยกัน ที่ทำให้บางพวกเสียเปรียบให้หมดสิ้นไปซึ่งวิธีการอันนี้จะได้ผลจริงหรือไม่ก็ขอให้พิจารณาดูด้วยใจที่เป็นกลางและก็จะรู้เองส่วนอีกวิธีหนึ่งคือรัฐพยายามที่จะให้รัศดรทุกๆคนมีสิทธิและเสรีภาพในที่จะทำอะไรตามความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ ยมให่ราษฎรประกอบอาชีพต่างๆได้ตามความพอใจและความสามารถรัฐเข้าควบคุมเฉพาะในบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นเพื่อที่จะรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นและเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมหรือการเบียดเบียนกันในรูปต่างๆที้หมดไปวิธีนี้ดูจะเป็นวิธีที่คนส่วนมากพอใจแต่แล้วเราก็พบว่าคนที่มีอำนาจหรือมีโอกาสดีกว่าคนอื่นมีความสามารถเหนือคนอื่นคนเหล่านี้ก็พยายามหาโอกาสที่จะเบียดเบียน หรือเอาเปรียบคนอื่นอยู่เสมอซึ่งในที่สุดก็จะทำให้คนส่วนใหญ่หมดโอกาสที่จะก้าวหน้าไปตามทางของเขาเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าแม้ในโลกฝ่ายเสรีเองความยากจนความเดือดร้อนก็ยังมีอยู่ไม่น้อยและยังไม่มีทีท่าว่ามันจะหมดไปจากโลกได้อย่างไรถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นตัวจากสำคัญในสังคมฝ่ายโลกเสรยียังเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้การทาสงครามทั้งในทางตรงและทางอ้อม ระหว่างโลกทั้งสองฝ่ายนี้ยังจะต้องมีอยู่ต่อไปอีกนานข้าพเจ้ามองเห็นยังทะลุปลุปรงทีเดียวว่าทุกวันนี้จะต้องนำเอาวิธีทางพระพุทธศาสนามาใช้เท่านั้นจึงจะสามารถขจัดความขัดแยง้งความยากจนหรือความเดือดร้อนให้หมดไปจากโลกได้เพราะตามวิธีการของพระพุทธศาสนานั้นแม้ว่าจะค่อยเป็นค่อยไป ไม่ค่อยจะทันใจสำหรับคนกลุ่มใหญ่ก็จริงแต่มันก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ที่จะนํามาใช้ให้เกิดผลได้จริงๆส่วนวิธีอื่นๆซึ่งมีอยู่หลายแบบหลายอย่างดังที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั้นแม้เราจะมองเห็นชัดว่าเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอได้โปรด จ, จาไว้ให้แม่นทีเดียวว่าวิธีการต่างๆเหล่านี้มักจะก่อให้เกิดผลสะท้อนในทางที่ไม่ดีเสมอ แล้วเราก็จะต้องมาแก้ปัญหาอันิี้การอีกอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมองดูกันอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลเร็วแต่ถ้ามองกันให้ซึ้งแล้วเป็นวิธีการที่ได้ผลช้าที่สุดมันคล้ายคล้ายกับว่าเราสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่หรือด้วยไม้อะไรก็ตามซึ่งไม่คงทนถาวรแต่ที่สามารถที่จะสร้างได้เร็วในอันที่จะให้คนได้อยู่อาศัยเพราะลงทุนไม่มากวิธีทำก็ง่ายกว่า แต่แล้วท่านก็จะพบว่าอีกไม่นานเท่าไหร่เราก็ต้องมาเสียเวลาซ่อมแซมหรือไม่ก็ต้องสร้างขึ้นอีกตรงกันข้ามถ้าหากเราพยายามสร้างบ้านด้วยการก่ออิฐหรือใช้คอนกรตีตเสริมเหล็กจริงอยู่ต้องใช้ทุนมากต้องเสียเวลามากกว่าจะสําเร็จขึ้นมาได้แต่มันก็คุ้มกันเพราะถ้าเราสร้างบ้านด้วยคนอยู่เป็นเตึกที่ถาวรปัญหายุง่งยากที่จะติดตามมาในภายหลัง เหมือนกับการสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่มันก็จะน้อยลงการสร้างสังคมก็เหมือนกันถ้าวางรากฐานด้านจิตใจกันไม่ถูกต้องแล้วจะเอาแต่ผลรวดเร็วในด้านวัตถุเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั้นก็ไม่ผิดอะไรกับการสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่หรือแม้เช่นนั้นก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่รากไม่แข็งแรงซึ่งต้นไม้ย่อมจะงอกงามขึ้นมาไม่ได้ ขอได้โปรดจําไว้ให้แม่นว่าคนที่ทำงานได้ผลสำเร็จนอกจากจะเป็นคนที่มีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรงมีความสะดวกในการทำงานและความเป็นอยู่และเป็นคนมีการศึกษาดีแล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องเป็นคนที่มีความสบายใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อะไรก็ตามในด้านความสบายใจนี้วิธีการทางพระพุทธศาสนาสามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างดีที่สุด พูดได้อย่างมั่นใจที่สุดว่าไม่มีวิธีการที่ไหนหรือหลักวิชาอะไรที่จะทำให้คนเรามีความสบายใจดีเยี่ยมเท่ากับวิธีการของพระพุทธทศาสนาขอให้ท่านนึกถึงหลักอันนี้บ่อยๆว่าแม้แต่ความแก่ความเจ็บและความตายทางพระพุทธทศาสนายังสามารถช่วยได้กล่าวคือทำให้คนที่เข้าถึงธรรมนั้นไม่เป็นห่วงตัวเองไม่มีความวิตกกังวล แม้ว่าเดี๋ยวนี้จะกำลังแก่กำลังเจ็บอยู่หรือกำลังจะตายก็ตามเพราะจากการปฏิบัติทางสมาธิและวิปัสสนานั้นจะทำให้เขารู้จักชีวิตภายในดีขึ้นโดยลำดับซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเพราะคนเราถ้ายิ่งรู้จักชีวิตภายในลึกซึ้งเพียงใดความสบายใจความกล้ า, าหาญความอดทนความเสียสละตลอดถึงสมรรถภาพต่างๆจะเพิ่มพูณขึ้นโดยลาดับ โดยที่สิ่งแวดล้อมหรือสภาพเพียงร่างกายไม่อาจที่จะยับยั้งหรือกีดขวางได้และผลที่ว่านี้เขายังมองเห็นอีกว่าสามารถที่จะสืบต่อไปจนถึงชาติหน้าได้ทุกๆชาติเพราะฉะนั้นจึงทำให้บุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่อยู่เหนือความแก่ความเจ็บและความตายอยู่เหนือความผิดหวังความยากลำบากต่างๆซึ่งหมายความว่า สิ่งเหล่านี้คือความแก่และความตายเป็นต้นทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขารู้แจ้งว่าตัวเขาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ชีวิตอันนี้ชีวิตภายนอกเป็นผลที่เกิดมาจากชีวิตภายในถ้าปรับปรุงชีวิตภายในให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆในโลกไม่ว่าจะร้ายแรงสักเพียงไรก็ทาให้เขาหวั่นไหวทาให้เขาเกิดความทุกข์ไม่ได้ และที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเช่นกําลังจะตายหรือกําลังได้รับการทรมานจากความเจ็บป่วยหรือจะผิดหวังอะไรก็ตามเขาสามารถบอกกับตัวเองได้ตลอดเวลาว่าฉันยังสบายดีไม่เป็นอะไรเลยพระพุทธศาสนาสามารถที่จะทําให้คนเรามีความสบายใจได้เสมอและสามารถที่จะช่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้น จนกระทั่งในที่สุดก็สามารถที่จะช่วยให้เป็นอาชริยะบุคคลในทางใดทางหนึ่งซึ่งตามทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเอตากัคคาบุคคลซึ่งตามสับแปล ว, ว่าบุคคลที่เป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งและตามวิธีของพระพุทธศาสนานั้นคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอาชาริยะจะต้องอาศัยวิธีทางสมาธิและวิปัสสนา และต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างสูงเป็นพื้นฐานมาก่อนจึงจะก้าวขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้อีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลที่มีความฉลาดและความสามารถเหนือคนอื่นมากมายนั้นถ้าได้มาฝึกฝนตามวิธีของพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลประเภทนี้จะใช้ความฉลาดไปในทางที่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเอาเปรียบคนอื่น เพราะเขารู้อยู่แก่ใจของเขาเองว่าทางเห็นความพ้นทุกขนั้นมีอยู่ทางเดียวคือต้องปฏิบัติตามมรรคมีองแปดหรือศีลสมาธิปัญญาและโดยธรรมดาคนที่จะฝึกสมาธิและวิปัสสนาได้ผลจริงๆใจต้องสงบจากนิวรณ์เช่นความคิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นด้วยอำนาจการมาชันทะไม่มีความโกรธหรือความเกลียดความอาฆาตพยาบาทก็จะมีขึ้นไม่ได้ ความท้อแท้ความเบื่อหน่ายต่อการงานหรือต่อบุคคลก็มีขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้ายัางมีนิวัน์เหล่านี้รบกวนอยู่ในใจเสมอก็ไม่อาจจะเข้าสมาธิได้และในเมื่อเข้าสมาธิไม่ได้ความสบายใจและสมรรถภาพต่างๆอย่างที่เขามองเห็นหรืออย่างที่เขามีอยู่นั้นก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการบังคับอยู่ในตัวที่จะทาให้บุคคลประเภทนี้ ต้องมีศีลธรรมอยู่ตลอดเวลาข้อความต่างๆนด้นที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวสังเขปถึงหลักการของพระพุทธศาสนาที่จะชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาของสังคมต้องเอาวิธีทางพระพุทธศาสนาไปใช้ต้องปูพื้นฐานพระพุทธศาสนาลงในสังคมอย่างกว้างขวางวิธีการต่างๆาที่ราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จึงจะเป็นประโยชน์ในทางสร้างสันติ อย่างงแท้จริอีกประการหนึ่งขอเดียกโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าการศึกษาทุกอย่างและวิธีการทุกอย่างดังที่ใช้กันอยู่ในเวลานี้ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับในเมื่อเราเห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และจําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ศึกษาในทางพระพุทธศาสนามาอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งเข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นบุคคลที่สนใจต่อสวัสดิภาพของสังคมและสนใจต่อการศึกษาต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นเช่นอย่างพระราหุลซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังสนใจต่อการศึกษาต่างๆจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในทางนี้เพราะฉะนั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าคนไหนถ้าหันมาสนใจทางพระพุทธศาสนาแล้ว อย่างอื่นจะไม่สนใจ